สุดตันตปิดกสังยุตตานิกายข้อสังเกตข้อเจความคิดว่าราราหูอมจันอมอาทิตเกิดขึ้นเพราะคนสมัยก่อนไม่มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์พระสูตรสองสูตรนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกันกับความรู้ความเข้าใจของคนสมัยก่อนโน้นเป็นความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์บางท่านจึงตั้งข้อสังเกตว่าสองสูตรนี้แปลกปลอมเข้ามา ที่น่าสังเกตคือเป็นสูตรบอกเล่าไม่ใช่เป็นพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าแต่ในอัถกถาท่านแก้ว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่กล่าวถึงนี้เป็นเทพบุตรชื่อนี้ไม่ใช่เป็นดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์จันทรมาเทพบุตรและสุริยะเทพบุตรเป็นเทพชั้นเดียวกับราหูคือเป็นพวกเดียวกับอสูรเวปาจิตติ ในมหาสมยสูตรบอกว่าเทพทั้งสองนี้เป็นโสดาบันเมื่อยอมรับสถานภาพของเทวดาเทวบุตรได้เรื่องจันติมะเทวบุตรสุริยะเทวบุตรก็ไม่น่ามีปัญหาว่ามีจริงหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่อย่างไรก็ตามสาระที่ควรคำนึงในสูตรนี้อยู่ที่พุทธคุณหรือพุทธานุภาพอํานาจพุทธคุณ ย่อมขจัดอันตรายต่างๆได้แน่นอนในทัชชกสูตรก็มีเนื้อหาสาระดุดเดียวกันข้อสังเกตข้อที่8มานมีห้าประการคือหนึ่งกิเลสมารคือกิเลสน้อยใหญ่สองขันธมานได้แก่ขันห้าบางครั้งบางคราวทำความลำบากให้ได้ 3. อภิสังขารามาณคือบาปบุญและอรูปฌานเป็นต้นเป็นมาในระดับแตกต่างกัน 4. เทวปุตตมารคือเทวดาอันธพาลประเภทอิจฉาคอยทำลายหรือขัดขวางความดีของคนอื่น 5. มัจจุมานคือความตายโดยเฉพาะความตาย ที่ตัดรอนขณะทำความดีอยู่มานในสังยุทธ์นี้มีทางเป็นไปได้ทั้งกิเลสมานและเทวปุตตมานบางครั้งก็น่าจะเป็นเพียงความรู้สึกฝ่ายตำ่ำที่เกิดขึ้นในใจชั่ววูบของพระสาวกผู้กำลังบำเพ็ญคนเดียวในปา่าพอรู้ตัวเกิดสติขึ้นมาความรู้สึกตัวนั้นก็หายไปเท่ากับมานหายไปทันใดที่ว่ามานมาเร็วไปเร็วก็เพราะเหตุนี้ แต่บางครั้งก็น่าจะเป็นเทวปุตตมานหรือเทวดาเกเรมาแกล้งจริงๆในพระพุทธประวัติมีมารผจนมารที่มาผจนมีใช่มารชั้นปลายแถวแต่เป็นพญามารชื่อวสวรตีตามรังควานพระองค์มาถึงเจ็ดปีซึ่งมีกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในตโปกรรมมสูตรสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ท่านทรงตีความว่าได้แก่อากุศลละมูลสามนั่นเองส่วนที่ดามานสามที่มาช่วยพยามานเทียบได้กับกิเลส ช, ชั้นปลายแถวแต่สมเด็จท่านก็สรงลังเลอยู่เหมือนกันเพราะถ้าเป็นกิเลสจริงทำไมที่ดามายว่พระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรุ้ซึ่งไม่น่าเป็นได้ส่วนท่านพุทธทาสว่า ทิดามานั้นเป็นความคิดคำนึงย้อนหลังถึงความร้ายกาจของกิเลสว่าร้ายแค่ไหนซึ่งเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้เรื่องมารผจญอ่านกองทับมารหรือกองทัพงูในชุดบัวบานกลางเปเลวเพลิงของผู้บรรยายประกอบคำว่าของผู้บรรยายประกอบในที่นี้หมายถึงท่านเจ้าของบทความนะครับ คือท่านศาสตราจารย์พิเศษสทียนพงศ์วรรณปกข้อสังเกตข้อที่เกเรื่องรมอัญเชิญแสดงธรรมนั้นถ้าไม่ถือตามตัวอักษรก็อาจตีความในแง่สัญลักษณ์ว่ารมหมายถึงพระมหารการุณาของพระพุทธองค์ชั้นแรกทรงเห็นว่าธรรมะที่ทรงบรรลุลึกซึ้งเกินไป เรงจะไม่มีใครเข้าใจจึงทรงดาริไม่สอนใครแต่เพราะพระมหากรุณาต่อสพัพพสัตว์ทำให้พระองค์ทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องตัดสินพระไทยเสด็จไปสอนน่าสังเกตคำว่าอตตกกาวะเจโรคือตักกะยังไม่ถึงรู้ไม่ได้ด้วยการใช้ตักกะคือการหาเหตุผลทางด้านตั ก, กศาสตร์เพราะพระธรรมของพระองค์ ไม่ใช่ต้องมานั่งคิดหาความสมเหตุสมผลใดๆเป็นเรื่องที่ต้องลงมือปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตัวเองดังในเกสปุติยสูตรหรือกาลามสูตรก็ห้ามเชื่อตักกะที่ไปแปรกันว่าอย่าเชื่อด้วยการเดานั้นไม่น่าจะตรงข้อสังเกตข้อที่สิบกอโกสูตร เป็นตัวอย่างของการวางตนเมื่อถูกคนอื่นด่าหรือว่าร้ายดังทรงแสดงไว้หลายอย่างเช่นในโอวาทปาติโมกตรัสสอนให้อดทนเผยแผ่พระศาสนาโดยสันติวิธีในกะกะจจุปะมะสูตรสอนไม่ให้โกรธแม้กระทั่งผู้ที่เอาเลื่อยมาเลื่อยเอวัยวะร่างกายขณะเดียวกันก็แสดงปฏิภาณของพระพุทธเจ้าด้วย จนผู้ที่ด่าสงบสติอารมณ์และเปลี่ยนใจมานับถือในที่สุดในอัทธกถ า, าธรรมบทเมื่อพระอานนท์มากราบทูลให้หนีพวกอันพานที่ตามดา่าพระองค์ตรัสว่าถึงหนีไปไหนก็ไม่พ้นคนดา่าเรื่องเกิดที่ไหนย่อมดับที่นั่นหมายความว่าการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ตัวปัญหาพระพุทธวจนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ น่าศึกษายิ่งเราจะอดทนต่อคําเสียดสีของคนอื่นเหมือนพยาคตสารในสนามรบทนลูกสอนที่ปล่อยจากคันธนูเพราะคนโดยมากมีสันดานชั่วข้อสังเกตข้อที่ส1อดกัดส ป, ปะโคตสูตรให้สติเกี่ยวกับการสอนธรรมะแก่ประชาชนผู้สอน ต้อคำนึงถึงความพร้อมของผู้ฟังและเงื่อนไขข้อขัดข้องอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ว่ามีหน้าที่สอนก็สอนไม่คำนึงถึงกาลเทศะในเรื่องนี้พระไปสอนในพรานล่าเนื้อไม่ให้ฆ่าสัตว์เท่ากับให้เขาเลิกอาชีพทันทีซึ่งเป็นไปได้ยากควรหาวิธีค่อยเป็นค่อยไปคำเตือนของเทวดาแหลมคมน่าคิดมากมีผู้เล่าว่า สมเด็จพระมหาสมณะเจ้าทรงตำหนิพระที่เปรเทศด่าชาวประมงเรื่องปานาติบาตเลยทีเดียวท่านว่าไม่ใช่ธรรมะไม่ดีแต่การจะให้ธรรมะต้องรู้การควรไม่ควรถ้าศึกษากฎลวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ข้อคิดมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่านเพิ่มเติมได้ที่พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก ของศาสตราจารย์พิเศษสเทียนพงศ์วรรณปกข้อสังเกตข้อที่สิบสองการพัฒนาการของชีวิตที่ตรัสว่าในอินทกาสูตรเป็นเรื่องที่น่าสนใจแพทย์ปัจจุบันยืนยันว่าตรงตามนั้นทุกประการบางคนสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบได้อย่างไรหากเรานึกถึงการตรัสรู้ของพระองค์ จนทำให้พระองค์ได้พระนามว่าโลกะวิทูและสัพพัญยูเราก็ไม่น่าจะสงสัยอะไรเพราะเรื่องนามมาทำลึกซึ้งกว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่าพระองค์ยังตรัสรู้ได้ในสีสปาสูตรสังยุตตนิกายพระองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งที่ตถาคตรู้นั้นมากดังใบไม้ในปา่าแต่ที่รู้แล้วนามาสอนพวกเธอมีนิดเดียว ดังใบไม้ในการร ม, มือในมหาตัญหาสังยสูตรบอกจุดกำเนิดชีวิตไว้ว่าจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสามคือมารดาบิดาร่วมกันมารดามีไข่สุกพร้อมที่จะผสมคันทพะปรากฏคันทพะมีปัจจัยหรือองค์ประกอบสามคือกรรมที่สัตว์ทำไว้เปรียบเสมือนที่นา วิญญาณเปรียบเสมือนมเมล็ดพืชตัญหาเปรียบเสมือนยางเหนียวในพืชสรุปแล้วคนจะเกิดได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกคือทั้งรูปธรรมและนามธรรมนักวิชาการสมัยใหม่พูดถึงแต่ในแง่รูปธรรมอย่างเดียวลักษณะพัฒนาการในขั้นตอนต่างๆท่านอธิบายดังนี้กาลละ มีลักษณะใสสะอาดเหมือนหยาดน้ำมันงามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเพราะเล็กมากท่านว่าเปรียบเสมือนเอาขนจามรีจุ่มน้ำมันใสแล้วสลัดเจ็ดครั้งที่เหลืออยู่บนปลายขนจามรีนั่นแหละเท่ากับขนาดกาละละอภุทธะเมื่อผ่านไปอีกเจ็ดวันจะมีการเปลี่ยนแปลงคือสีข้นขึ้นเปสิ ผ่านไปอีกเจ็ดวันสีจะแดงเรื้อเหมือนน้ำล้างเนื้อคณะผ่านไปอีกเจ็ดวันจะจับเป็นก้อนประสาขาผ่านไปอีกเจ็ดวันจะมีปุ่มใหญ่งอกออกมาห้าปุ่มคือปัญจสาขาที่จะกลายเป็นศีสักแขนสองขาสองต่อจากนั้นก็จะงอกเป็นศีสักแขนขา ในระยะนี้ก็อาศัยอาหารผ่านรกจากมารดาเจริญเติบโตตามลำดับพอท่วนทศมาศก็คลอดออกมาพัฒนาการหลังจากการเกิดปุ่มแขนขาและศีรษะท่านพูดรวบรัดถ้าอยากทราบรายละเอียดกว่านั้นโปรดอ่านวิมุตติมรักษับแปลเป็นภาษาอังกฤษหน้า173้็ิบสาม ข้อสังเกตข้อที่สิบสาปฏตติจัสมุปปะบาทเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอีทับปัจยตาหรือปัจจยากรคําว่าปัจจยากรศู่วนมากใช้ในอัถกถาทรงแสดงสั้นๆว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับแสดงจากหัวข้อรายละเอียดเป็นสิบสองข้อดังที่ทราบกันอยู่แล้วและทั้งสิบสองข้อนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทรงยกมาแสดงครบชุดทุกครั้งบางครั้งก็จับเอาองค์ใดองค์หนึ่งมาตรงกลางแล้วย้อนทวนจนถึงต้นสายคืออวิชชาและสาวไปจนปลายเหตุคือชรามรณะก็มี ส่วนมากในแง่ปฏิบัติมักทรงเริ่มต้นที่ผัสสะเพราะผัสสะเป็นประตูเปิดรับรู้โลกภายนอกการอธิบายปฏิจจสมุปบาทนักศึกษาไม่ควรจับแนวใดแนวหนึ่งเฉพาะเพราะมีทั้งอธิบายแบบข้ามภพชาติหน้าและแบบชั่วชีวิตเดียวสำหรับสูตรแรกที่เอ่ยถึงปฏิจจสมุปบาทคือมหานิทานสูตรทีฆะนิกาย พระไตรปิฎกเล่มที่สิบให้คำจํากัดความว่าชาติพบโดยไม่ต้องตีความดังนี้ชาติหมายถึงเกิดเป็นเทพเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นสัตว์สีเท้าเป็นสัตว์ปีกเป็นสัตว์เลื้อยคลานพบหมายถึงกามพบรูปประพบอรูปประพบส่วนในวิพังคสูตรนี้ให้จํากัดความไว้ครบชุด ขอยกมาดังนี้ชราคือความแก่ภาวะความแก่ฟันหลุดผมงอกหนังเป็นเกลียวความเสื่อมอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในมูสัตนน์นั้นๆของเหล่าสัตนน์นั้นๆมรณะคือความเคลื่อนภาวะความเคลื่อนความทำลายความอันตรธานความตายกาลกิริยา ความแตกแห่งขันความทอดทิ้งซากศพความขาดแห่งชีวิตดินซีจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆชาติคือความเกิดความบังเกิดความยังลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันทั้งหลายความได้อายตนะครบถ้วนในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆสําหรับข้อนี้โปรดดูที่อื่นอีก คือมหาสติปัะธานสูตรเล่มสิบในพระไตรปิฎกเล่มสิบหกและเล่มสิบเจ็ดมีข้อความสอให้เห็นว่าปฏิจจสมุ ป, ปบาทเป็นเรื่องของปัจจุบันข้อสังเกตข้อที่14เรื่องพระวกักกะลิในอัตถกถาธรรมบทต่างจากพระสูตรในรายละเอียดคือกล่าวว่าพระวักกะลิติดใจในรูปโฉมของพระองค์ ถึงกับตามไปเฝ้าดูจนพระองค์ตรัสขับไล่เธอน้อยใจจะไปกระโดดเขาตายพระองค์เสด็จไปช่วยไว้ทันในพระสูตรว่าเธอป่วยหนักท้ายที่สุดฆ่าตัวตายพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอปริณิพานคือตายพร้อมกับบรรลุอรหัตในอังคุตรนิกายเรียกชื่อพระอริยบุคคลประเภทนี้ว่าสมะสีสี มีอีกหลายรูปที่ตายทํานองนี้เช่นพระโคธิกะหมายเหตุผู้อ่านเรื่องการฆ่าตัวตายนี้ควรศึกษาให้ละเอียดจากอัรถกาถาอีกทีนะครับ